เรื่องเวชันดรปริทัศน์ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอน้อมน้อมแด่พระมหาโพธิสัตว์เจ้า ผู้มีพระนามว่าเวสันดอนซึ่งผ่านมาเมื่อปัจจิมชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ร่วงลับไปแล้วนั้นด้วยความเคารพอย่างสูงจิงขอกลาบนมัส ก, การพระเทรานุเทระผุ้ทรงสินสุตาทิคุณปัญญาทิคุณภาวนาทิคุณด้วยความเคารพขอแสดงความเคารพความนับถือแต่เพื่อนสั ซึ่งมาจากต่างอาวาสต่างวิหารทั้งหลายมารวมกันณนะรรมสภาหแห่งนี้ด้วยความเคารพและนับถือความหนวยพรสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมองคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดี ผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวป า, กาทกรถาธรรมอันเป็นคำสังสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว <c oughs> ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งออกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นําไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวัน ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่ครอบครัวแก่พระสัปนนาสึบต่อไปตามสมควรก่เวลาอันจะพึงมีเนื่องจากวันนี้ท่านทั้งหลายได้มารวมกันที่วัดเป็นจำนวนมากมายเป็นพิเศษเต็มไปหมดตามลานวัดใต้ร่มไม้และท่านทั้งหลายก็อยากแกะฟังการกล่าวทำมิการาปาทกระทรทเป็นพิเศษ ปรมเหตุที่ท่านดังหลายได้จัดงานบุญมหาชาติหรือพระเวสสันดรขึ้นจึงได้ไปกราบอาราธนานิมนต์อาตมาให้มาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรชาดกก็รายการกระทําเช่นนี้รู้สึกว่าญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้กล้าหน้าเท่าที่ควรและเป็นผู้กล้าทําในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยทํา คือตามปกติและบุญพระเวสสันดร น, นี้แม้เราจักไม่เล่าก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเราจัดงานบุญพระเวสสันดร น, นี่เมื่อก่อนโน้นต้องใส่พระจากบ้านโน้นบ้านนี้มารวมกันยกใก่เป็นจํานวนมากยี่สิบสามสิบหมู่บ้านยี่สิบสามสิบวัดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จงานวันรวมหรือว่าวันสุกดิบหรือว่าวันโฮมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ฟัง รัมมหาชาติจั่หว่าพระเวสสันดรทั้งวันนิมนต์พระเปลี่ยนกันขึ้นมาเทศตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่ตีสี่ 4, หลังจากแห่ข้าวพันก้อนเสร็จเรียบร้อยก็นิมนต์พระเทศตั้งแต่ตีสี่ไล่ไปตั้งแต่อ่านมาลัยหมื่นมาลัยแสนสังกาดแล้วก็เริ่มจากทัศพรหิมาพานธานกนัวันน้ำประเวทชูชกจุพลพนมหาพน กุมารมัธีทั้งบรรต้นบรรปลายัางเช่นนั้นก็สกกบันมหาราชส ก, กตินครก็จะจบได้สิบสามกันก็ฟาเขา้าสองสามทุ่มบางแห่งเจอพระที่ทันเทศไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็ช้าถือียกว่าเป็นการฟังกันพิเศษเทศกันพิเศษฟังกันตั้งแต่ตีสี่ยันสองสามทุ่มก็จะเสร็จได้ แต่วันนี้ท่านต่้งหลายได้นิมนต์ให้อัตมามาเทศองค์เดียวเป็นในรูปแบบปริทัศและปาทักถาให้ยืนเทศเลยกนวาญาติโยมพุทธบริษัทที่นี่เป็นผู้มีความเข้าใจในการจัดทำกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เคยทำมาก่อนแต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งที่นะ่าอนุโมธนา เพราะว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติไม่ชะเป็นการประยุกต์ซึ่งเมื่อกี้อาตมาได้ยินโยมพูดว่าวันนี้เราจะได้ฟังธรรมเทศนาพิเศษเวทสันดอนประยุกต์ความจริงอาตมาอยากจะขร้องให้ท่า น, ห, นหลายเลิกใช้คําว่าประยุกต์คาว่าประยุกต์นี่เหมือนกับว่าจะเอาอะไรมาปนมาปลอมเข้ามาในนั้นให้มันเข้ากันกับสิ่งเหล่านั้น แต่อาตมาอยากจะใช้คําว่าปาริทัศน์มากกว่าประยุกต์ปริทัศน์หมายว่าดูกันให้ท่วนทั่วให้รอบให้ชัดเจนทัตๆเป็นทัศนะแปลว่าดูแปลว่าเห็นปริรอบยิ่งดูกันให้เห็นแจ้งอย่างชัดเจนอย่างยิ่งในเรื่องพระเวสสันดรนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้จาะนิมนต์อาตมามาเทศองค์เดียว แต่ก็ขอบอกให้โยมได้ทราบก่อนว่าไม่จะเป็นการประยุกต์และไม่จะเป็นการทอดทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่จะเป็นการทอดทิ้งประเพณีเดิมแต่หากว่าเราจะยังรักษาประเพณีไว้หมดทุกขั้นตอนแต่จะให้มันละเอียดยิ่งกว่าเก่าทั้งไม่ต้องใช้เวลามากตั้งแต่ตีสี่ยันสองสามทุ่มแต่ก่อนแต่เราจะใช้เวลาไม่เกินห้าชั่วโมงหรือหกสิบหกชั่วโมง ทั้งนี้และทางนั้นก็เพื่อจะให้ปริทัศน์การชัดเจนถ้าเราไม่ปริทัศน์คือไม่พูดกันให้ละเอียดชัดเจนออกมาเนี่ยใช้เวลาห้านาทีก็จบเรื่องพระเวสสันดรเพราะว่าเรื่องพระเวสสันดร น, นั้นมีไว้ในพระไตรปิฎกอย่างน้อยก็สองแห่งมีแห่งหนึ่งในเรื่องจริยาคุตตะกานิกายเริ่มที่สามสิบสามจริยาที่เก้าข้อที่เก้าของจริยาที่เก้าจริยาที่เก้า หน้าที่446มีอยู่สองใบครึ่งใช้เวลาอ่านยังไงก็ไม่เกินห้านาทีจบแต่มันมีมากอยู่อีกในมหานิบาตชาดกพุตธกนิกายเล่มที่28ข้อที่พัน45เป็นต้นไปหน้าที่315เวสันดอนชาดก บำเพ็ญบารมีฐานนีทั้งหมดแปดสบแปดหนะ้าถ้าจะอ่านกันธรรมดาธรรมดาไม่รีบไม่ร้อนยังไงก็ไม่เกินสามชั่วโมงแต่ที่เราใช้เวลากันไปมากตั้งแต่นุ่นขึ้นต้นตั้งแต่ตีสี่ไรถ้าเทศทั้งมาลายเหมื่นมาลายแสนด้วยทั้งสังกาด้วยก็ต้องก่อนนั่นเองไปสามครึง่งแห่ข้าวปนก้อนนโมนาไมจอมไตปีโด ยกออกมาเทศนาธรรมขันหมักเบงงามสภาษเข่าพันกรอาดบูชาซาเฮาชาสามดวงหนวยแก้วตกแต่งแล้วถ้วยอาดบูชาสาทุสาทุนโมนนไมจอมไตปิดอกว่ากันแห่ข้าว พ, พันรอบสาราเสร็จจากนั้นก็ขึ้นอัญเชิญอาราธนาเทพพระเวสสันดร ในการอาราธนาเทพพระเวสสันดรก็จะอาราธนาเป็นพิเศษถือได้ว่าพระเวทสันดรเป็นงานพิเศษกันจริงๆริงอาราธนาพิเศษยาวเยียดเทศก่อพิเศษตั้งแต่ไปสี่ยานสองสามทุ่มกว่าจะจบนั่นมันพิเศษจริงๆแต่เสร็จแล้วประโยชน์ที่เราจะได้จากการทําพิเศษพิเศษนั้นกลับไม่ได้ประโยชน์ได้อะไรได้แต่เพียงเป็นพิธีประเพณีพิธีรีตองเปล่าเปล่ า, าเพราะคนฟังนั้นไม่ได้รู้เรื่อง ถามดูในเรื่องพระเวสสันดรแล้วยอมที่ฟังก็ไม่รู้พระที่เทศก็ยังไม่เข้าใจขออภัยไม่ใช่ว่ากล่าวกันไม่จะเป็นการดูถูกดูแคลนกันทั้งหมดนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพุท ธ, ธะแปลว่าผู้รู้ ผ, ผู้เตือนผู้เบิกบานแจ่มใสต้องรู้ข้อที่เราคิดกิจที่เราทำำําคําที่เรากล่าวตื่นจากความโง่หลงไหลงมงายเบิกบานแจ่มใส จากความคลุมเครือในเหตุในผลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นวันนี้อาดามาได้มีโอกาสมากล่าวปาทกระถาธรรมที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์ไปในมลมานั้นก็จะขอปริทัศน์ไปเป็นท่านเป็นตอนให้ละเอียดขอท่นานทั้งหลายตั้ง อ, อกตังก้งใจฟังไม่ต้องพลนนมือก็ได้ยอมเอ่ยวางมือลงซะนั่งให้สบายๆในอิริยาบถ ท, ที่ทัดหน้า อย่าให้ร่างกายรู้สึกบีบพันจะทําให้จิตใจกระสับกระส่ายไม่มีสมาธินั่งให้เป็นสมาธิให้จิตเป็นสมาธิกายเป็นสมาธิสมาธิมาจากคาว่าสมะบวกอาริรวมเป็นสมาธิสัมมะแปลว่าสม่ำเสมออาทิแปลว่าปกติมั่นคงอย่างยิ่งสมมะบวกอาริรวมเป็นสมาธิแปลว่าปกติมั่นคงอย่างยิ่งนั่งยังไงจะปกติมั่นคงโยอมผู้ชายจะนั่งขัดสมาก็ได้ไม่เป็นบาป พอความจริงแล้วชาวอินเดียก็เดีชาวพม่า ก, ก็ดียเขานั่งคาตมา ก, กันทั้งผู้หญิงผู้ชายมาไปอินเดียมาห้าหกครั้งแล้วก็ยังพูดอีกสำนวนหนึ่งสำเนียงที่เขาออกอย่างตัวสอเป็นติดต่อยังเขาว่าสัมาทิเอาจะกับว่าตะมาทิในประเทศพมา่าเนี่ตะมาทิในคำว่าตมาทิกำนั่งขัดตะมาทนีนมันต่อคงจะเพี้ยนเดียมันจะว่านั่งขัดตะมาทินั่นเองถ้าหญมผู้ชายไม่ถนัดในการนั่ง พับเพียบมือยมผู้หญิงเกาะนั่งฆาตมาได้วางมือวางลงไว้ดีๆแล้วก็ตั้งใจฟังฟังและคิดพินิจพิจารณาโยนิโมสมนัิการสืบค้นไปจ ถ, ถึงต้นเขาสืบสาวจนเหตุผลจนตลอดตายแยกแย่ออกวิเคราะห์วิจัยถ้อยคําเนื้อถ้อยกระทงความที่อาตมานมาํามาเก่าวมาเล่าฟังในวันนี้ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ในช่วงนี้ฟังเฉยๆเอาไว้เชื่อทีหลังก็ได้เรื่องเชื่อนั้นพระพุทธเจ้าไม่ข่มขืนศรัทธา ท่านจะขัดศรัทธาคือขัดให้มันเปี้ยงให้ความเชื่อบริสุทธิ์มีสติปัญญาแต่พวกเราในมักจะเฉะลิมฉลองศรัทธาทายกทายิกาทั้งหลายฉลองกันจนเฟือฉลองกันจนลืมจนลืมเหตุลืมผลมีจะดีทั้งนั้นอันไหนมันไม่ดีไม่เอามาว่าเพราะนั้นพระพุทธชาติขัดศรัทธาให้เปี้ยงอาตมาก็เลยขัดศรัทธายมวันนี้อย่าเพิ่งเชื่ออาตมากแล้วกัน ขอขัดไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งเชื่อเพื่อให้มันเกลี้ยงเหมือนด้วยโถโอชามที่เราใช้มากๆใช้มากๆแล้วมันสกรปรกมันต้องขัดด้วยสกอตไบใส่แป๊บใส่อะไรเข้าไปมันถึงจะเคลื่อนศรัทธาของโยมก็เหมือนกันเคยฟังเรื่องพระเวสสันดรมาทุกปีแล้วมีแต่ฉล้องไม่มีขัดมีแต่ให้เชื่อตามาทางปากาเจนโตศรัทธาอาหารปีคาวีดูลาปกคูทั้งหลายต่างงานทั้งงานงงา น, นั่งสัประงกฟังอยู่นั้นเชื่อไป เสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้ขอขัดทศฐาให้หยบฟังเฉยๆ ย, ยังไม่ต้องเชื่ออาตมา ก, ก็ได้เอาไว้เชื่อทีหลังวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุมีพลทนต่อการพิสูจน์ผู้รู้สรรเสริญปฏิบัติตามได้ผลเกื่อกูลไปด้วยประโยชน์เมื่อนั้นท่านพึงเชื่อพพระพุทธเจ้าท่านใช้แบบนี้เดินทางไปในหมู่บ้านกาลามะซึ่งมีคนไปเทศไปสอนก่อนมากมาย ชาวบ้านจนงงไม่รู้จะเชื่อใครพราะพุทธเจ้าไปเขาก็ชี้หน้าถามซะก่อนยังไม่ต้องเถรท่านก็บอกไว้บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออตาตมาก็แล้วมานี่ขึ้นตอนนี้มาอนุสเวนะมาอิติกิรายะมาปรมปรายะมาปีต ะ, ะสัมปะหาเนนะมันหลายมาทั้งหมด10มาข้ออภัยพูดในภาษาบาลียงก็ฟังยาก แปลว่าอย่าเชื่อโดยสักแต่ว่าเขาว่าอย่าเชื่อเดอข่าวเขาเล่าเลยกันอย่าเชื่อเดอะเขาทำเสือกกันมาอย่าเชื่อเดออ้างในตำลับตําราเรื่องบุญพระเวสสันดรเราทํากันมาเป็นสิบปียี่สิบปีโอ้ยเป็นร้อยร้อยสองรอปีในประเทศไทยก็ตามทีเถอะในช่วงนี้ไม่ใช่หัวแข็งไม่ใช่หัวกระด้างมาไม่เชื่อปูเทาเราจกเชื่อเมื่อมีเหตุมีผลเพียงพอแต่เดี๋ยวนี้เรายังเชื่อไม่ได้ฟังสัก่อน ถ้าลักษณะเช่นนี้เราจะเข้าไปสู่ความเป็นชาวพุทธได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฟังอัตมาก็แล้วกันอย่าเพิ่งเชื่อหูฟังแจงทั้นแจงให้คิดทาขัน้นม่หย่ําแห ล, แหลแกแล้วเบาข่าแขวจังคอยกืน้นเอบเอบห้องสิลงวา่าแต่เสียงกบล่างจะเป็นทําท่านสิต่อตายเบาท่านหูฟังเสียงอีอีห่องอย่าว่างใจว่าจักจันทซาที่เนวเฮาหอมเขียวเกี่ยวกะห้องเป็นเห็ดวันเลื้งเออเหอสิลงวา่าแต่เน้นคํา ล่างจะเป็นขําปอมเห็ุอย่างไรบัดขําเกะเแบเบห่อ ง, องวัวเฮายาผ่าวหวาล่างจะเป็นศาบเสือเสือหายสิค่ะพ่อเจ้าแล้ว น, นี่คนโบราณได้สอนไว้พระสงฆ์องค์เจ้าก็โกหกยมเป็นเหมือนกันหลอกลวงยมเป็นเหมือนกั น, น, กนคนหมดมือหม ด, หมดตัวเพราะพระสงฆ์องค์เจ้ามาไม่ใช่น้อยๆอาดมาอยู่ในจํานวนเดียวกันนี้คือพระสงฆ์องค์เจ้าเหลืองๆยอมยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ต้องฟัง สุสังหรัเตปัญญาฟังให้ดีๆแล้วจะเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้เราเป็นนักฟังที่ดีแล้วเราจึงจะรู้จะเข้าใจวันนี้อาตมาขออนุโมทนาด้วยใจจริงที่ท่านทั้งหลายกล้าจัดงานนี้ก็ เ, เริ่มต้นก็คือครูบาอาจารย์ในหมู่บ้านในแต่อาตนานิมนต์อาตมาสแสดงว่าเป็นผู้นําชุมชนจริงๆพ่อแม่เคยฟังพ่อแม่สันดอนกันมาอย่างไรลูกเต้าจะเอาอย่างงั้นก็เลยทําให้ ยังไงยังไงอยู่ในเมื่อมองไม่เห็นประโยชน์คูบาอาจารย์ที่นี่ท่านก็นเลยเป็นนิมนต์อาตมาให้มาเทศองเดียวแบบปริทัศน์ถ้าอย่างนี้พระพุทธญาหัสเลเซน น, น, นะเราไม่ได้ทำลายลทัทธิประเพณีดั้งเดิมเราจะรักษาไว้หมดแต่เราจะมองให้ซึ้งลงไปในตรงนั้นและจะถอดเอาสิ่งที่มันเป็นคอนทิบิวชันแก่สังคม ธรรมดาผลหมารากไม้ผลไม้ที่มีราคาแพงมีรสอร่อยย่อมมีเปลือกหนามีน้ําอย่างทุลงทุเรียนเราจะกินให้อร่อยเราจะต้องปอกเปลือกมันออกถ้าเป็นงับกินทั้งเปลือกน้ําบาดปากหรืออย่างกินมังคุดอย่างนี้กินผลไม้ทุเรียนนี่ทําไม่รู้จักปอกเปลือกมันก็ไม่อร่อยขพราว้างทิ้งแล้วก็หาว่าผลไม้ไม่อร่อยความจริงรสชาติอร่อยมันอยู่ภายในจะต้องปอกเปลือกให้เป็น สิ่งใดที่คนโบราณเห็นว่าสำคัญเอามาทำสืบๆกันมาอย่างเรื่องบุญพระเวสสันดร อ, อะไรต่างๆที่เราฟังนะมันจะต้องมีอะไรดีๆในนะั้นแต่ในเมื่อเราไม่รู้จักของดีในนั้นเราไม่รู้จักปอกเปลือกออกมาเนี่ยมันก็เลยจะกไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็เหมือนกับกินผลไม้งับกินทั้งเปลือกนั่นเองไม่รู้จักกินเนื้อมันภายในเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันไปแต่ละกันแต่ละกันแล้วก็ปริทั์ปอกเปลือกแท้ออกมาจึงจะได้ ประเพณีต่างๆนั้นมีของดีส้อนอยู่ในนั้นประเพณีนี้ก็เปรียบเสมือนเปลือกหุ้มของผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยอยู่ภายในอันเป็นสาระประโยชน์อันเป็นแก่นสารมีอยู่ในนั้นอย่างเรื่องพระเวทสันดรก็ดีเรื่องอะไรก็ดีนั่นนะ่ะที่คนโบราณเล่ามาจัดเป็นหีดสิบสองของสิบสี่นั่นแหละคือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมแต่เราจะต้องรู้จักปอกเปลือกรู้จักปฏิรูป ขอใช้คำว่าปฏิรูปก็แล้วกันปฏิรูปประเพณีอย่างเดียวเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ที่โรงเรียนบ้านเราเนี่ยปฏิรูปเข้าใจปฏิรูปประเพณีคำว่าปฏิรูปนี่ไม่ใช่เป็นภาษาการเมืองไม่ใช่เป็นภาษาของมุนงมินดิตเป็นภาษาพระพุทธเจ้าภาษาบาลีนู่นการปฏิรูปไม่ต้องใช้อำนาจไม่เหมือนเขาจะปฏิวัติปฏิวัติต้องใช้อำนาจเร v ว l u t i o n นันรีเทอร์ไม่มีใครมุนกลับปฏิวัติเลิกล้างใหม่ทำใหม่ขึ้นมาหมดเห็นอังเกลไม่ดีแต่ปฏิรูปนี้ไม่ได้เลิกล้างของเก่าเอาของเก่าด้วยแต่จะทําให้มันดีถูกต้องดีงามปฏิรูปไปว่าเหมาะสมกลมกลืนถูกต้องดีงามอย่างเขาตั้งสภ า, าปฏิวัติขึ้นมารัฐบาลเมื่อกี้ตั้งดาวสุมลมลมแรงแรงบ้าบ้องบองไปงั้นเพราะว่าปฏิวัติมันต้องใช้อํานาจตนเองมีอํานาจอะไรจะไปฏิวัติ แต่ปฏิรูปหรือว่าปฏิหุภาษาลาวไม่ต้องมีอำนาจเพราะปฏิรูปในสิ่งที่มันมีอยู่นั้นไม่ได้ลือทิ้งไปไหนแต่เอานั่นแหละทั้งหมดนั่นแต่จะเอาสิ่งที่มันถูกต้องดีงามจะให้มันถูกมันต้องมันเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษานักการเมืองเวลาพระจะไปบวชเป็นพระตอนที่บวชเป็นเนรแล้วจะต้องไปข อ, อนิสัยกับอุปัชาว่าอาหางพันเตนิสยังยาจามิ สุติยมปิปฏิยมปิอหังพันเตนิสิยังยาจ่ามีท่านบูเจริญขอท่านจงให้นิสัยเพื่อประพฤติปฏิบัติแก่ข้าพรเจ้าตอนจะบวทเป็นพระอุปชาจะบอกว่าปฏิรูปฟังปฏิรูปังปฏิรูปังป่าสาคิเกนะสัมปะเทงไอ้ปฏิรูปังปฏิรูปังนั่นแหละไปว่าปฏิรูปให้มันเหมาะมันสมมันกลมมันกลืนมันถูกมันต้องมันดีมันงามนะสร้างความเรื่มไสให้ถึงพร้อมในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม โอเคโอเคออไล่อะไรทํานองนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกงี้นคนจะบวชต้องรู้จักทําตนให้ถูกให้ต้องให้เหมาะให้สมให้กลมให้ืในดีให้งามจึงเรียกว่าปฏิรูปังปฏิรูปังปฏิรูปังปฏิรูปนั่นเองปฏิรูปนั่นเองขอให้เข้าใจอย่างนี้วันนี้เราทั้งหลายได้ปฏิรูปประเพณีเวสันดอนทีนี้ก็เป็นการดีเราจะได้ปฏิรูปกันให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามก่อนอื่นในนั้น เรามาว่ากันในเรื่องประเพณีดั้งเดิมกันสะก่อนนะยังไงยังไงเรามีเวลาวันนี้เพราะท่านทั้งหลายก็กินข้าวกินปลาอิ่มหมดแล้วพระสองฆ์องค์จ้าทั้งกระชันอิ่มเราจะพูดไปเรื่อยตั้งแต่สามโมงชาไปจนถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งทําอาหารเสร็จโยมเอามาถวายเพลนพระอาดมา ก, ก็จะพักเพราะอาดมานี่ไม่ได้ฉันเพลนชันทีเดียวแล้วสบายแล้วโลดพอโยม เอาไว้อาหารเพลงเสร็จอาตมาก็พักผ่อนพอพระฉันเสร็จโยมก็กินกินอิ่มอาดมาก็จะมาปาถกทาต่อไปในเรื่องที่มันอย่างค้างๆเอาจนจบก็คิดว่าไม่เกินห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงแต่ถ้าหากใครจะใจร่ำไม่ต้องกินข้าวเพลเลยฟังกันรวดนเดียวให้จบก็จะเป็นการดีอืมไม่ตอ้องขาดว่าขาดตอนอาตมาก็จะขอยืนสู้อยู่บนสแตนนี้แหละอย่างเก่งไม่เกินหกชั่วโมงโยมว่าคงยังไม่หิว เคยไปปาทะกถาที่อุดรธา น, นีที่อุบลสองแห่งนี้รวดเดียวรวดเดียวห้าชั่วโมงหกชั่งชาวบ้านกระใจถึงใจปั้มไม่กินข้าวกินเช้าพอฟังเทศเสร็จค่อยกินใหม่ความจริงโยมมีเวลากินทั้งวันทั้งคืนนอนหลับๆ ล, ลุกขึ้นมากินก็ได้อาามานี่ฉันครั้งเดียววันละครั้งเดียวเท่านั้นก็ยังมีเรื่องมีแรงที่จะคุยกับโยมเอา้าวันนี้เราบอกแล้วว่าจักไม่รีบไม่ร้อน ตอนอื่นใดเรามาว่ากันในเรื่องประเพณีของบุญพระเวสสันดรกันก่อนเพื่อว่าเราจะมาทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งตามปกติประเพณีบุญพระเวสสันดร น, นี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจประเพณีของพี่น้องชาวอิสานของเราและก็พี่น้องชาวประเทศลาวผู้นายวัดสองฟากฝั่งของนี่ถือว่าบุญพระเวสสันดร น, นั้นเป็นหัวใจ เป็นหัวใจประเพณีที่สุดเลยจะทุกจะยากลําบากลำพนัแค่ไหนทุกหมู่บ้านชาวอีสานจกต้องเอาบุญพระเวสสันดรต่อให้ทุกให้ยากแค่ไหนจะขูดหัวเราเก่าหัวญ้ารวบรวมหรือแรงเงินทองเจตุปัจจัยต้องเอาบุญพระเวสสันดรกันให้ได้ชีสินนะบุญอื่นไม่มีช่างมันบุญพระเวสสันดรถือว่าสําคัญนี่เราจะเห็นได้ว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในนี้ถ้าหากเราปอกเปิือกขูกเราจะได้ประโยชน์มากในเรื่องพระเวสสันดร ในสมัยโบราณที่เราทํากันมานะ่ะความจริงบุญพระเวสสันดร น, นี้ในประเทศไทยเราเริ่มเริ่มได้อ บ, บุญพระเวสสันดรมาประมาณสองร้อยปีมาเนี้ยส่วบุญพระเวสสันดรเได้เริ่มต้นมาที่สีรังกาออกงอกที่สีรังกาจเจริญเติบโตที่พม่าแล้วมาผลิดอกออกผลที่ประเทศไทยเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังทีหลังวันนี้บอกแล้วว่าเราไม่รีบบุญพระเวสสันดรเ น, นี่ย เรียกชื่อหนึ่งว่าบุญมหาชาตินะว่าเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญสําคัญมากการอาบุญพระเวสสันดร น, นัน่นมันมีเรื่องมีราวก็คือเรื่องขมาไล่นั่นแหละเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังเรามาว่าถึงเรื่องการอาบุญพระเวสสันดร ก, กันก่อนคือเรื่องพระเวสสันดร น, นี่บุญมหาชาติมันเป็นหัวใจประเพณีชาวอีสานและทุกวันนี้เราเอากันเข้าจัจัดมีแต่คนแก่คนเฒ่าเข้ามาเกี่ยวข้อง คนแก่คนเท่าแหงข้าวพันก้อนเดินรอบศาลาไม่กี่คนคนแก่คนเท่านั่งฟังเรื่องพระเวสสันดรเทศประงกไปเคี้ยวมาไปหวานข้าวสารไปใต่เทียนไปเหนื่อยก่อนลุกกลับไปบ้านให้คนอื่นมาฟังต่อมีเดือมีแรงก็มาฟังแล้วก็ไม่ได้เรื่องจับต้นชนปลายกันไม่ถูกนี่มีแต่คนเท่าคนแก่แต่มองดูคนหนุ่มคนสาวไม่มีประเพณีที่ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดมีแต่คนแก่คนเทาเ่าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่คนหนุ่มคนสาวไม่มาอีกหน่อยคนแก่คนเท่าก็จะต้องล้มหายตายไปคนหนุ่มคนสาวเมื่อไม่เห็นรู้เรื่องไม่มองเห็นคุณค่าในเรื่องนี้ก็จะเลิกร้างกันไปไม่มีใครเสิบทอดเจตนาอันเป็นอุดมการที่ดีงามในทางสังคมเพราะฉะนั้นเรื่องบุญประเวณนีเมื่อเราจัดปฏิรูปอย่างนี้ก็ขอให้มันได้ประโยชน์ทั้งคนแก่คนเท่าและก็คนหนุ่มคนสาวอาามารู้สึกว่าตนเองเกิดมาในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ โมเลกุลต่อระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมคือประเพณีของผู้เท่าผู้แก่แล้วก็วัฒนธรรมใหม่ของฝรั่งมั่งคาที่ไหลเอ่อรท่วมค้นเข้ามาสังคมเราคนหนุ่มคนสาวทุกวันนี้ไม่มีความรู้เรื่องประเพณีพิธีกรรมในทางพุทธศาสนาแบบโบราณไม่ยอมรับส่วนคนแก่คนเท่าก็ยึดมั่นถือมั่นในประเพณีพิธีรีต้องจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์อันจะพึงได้ในประเพณีนั้น ก็เลยเป็นช่องว่างระหว่างคนหนุ่มกับคนแก่แต่เมื่อคนแก่นี้หมดไปสิ้นไปแล้วใครเล่าจะเป็นคนเสิบทอดสังคมใครจะเป็นคนเสิบทอดอายุพระชาตนาท่านมันจะคนหนุ่มคนสาวเพราะฉะนั้นในยุคนี้จะมาถือว่าเราอยู่ในยุคคัวเลี้ยวหัวต่อเลาหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมประเพณีดั้งเดิมคนแก่คนเฒ่า กับความรู้สึกสมัยใหม่ของคนหนุ่มคนสาวทํายังไงจะสานต่อกันให้ได้ถ้าไม่สานต่อกันในช่วงนี้จะต้องขาดตอนแล้วก็นับได้ว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดทางสังคมคือเรื่องบุนพระเพสันดรนี่เป็นเรื่องบุญตอกย้ําอุดมคติโลกภาษีอนันได้ฟังพระเพสันดรนในครบสิบสามกันมีศินหายบริสุทธิ์ตามที่ฟังในมาลายเหมือนลายแสนจะเกิดทันโลกภาีอานันและเราก็ ตั้งใจที่สุดโลกภาษีอ่านเป็นโลกที่เจริญที่สุดทางด้านวัตถุและเจริญที่สุดทางด้านจิตใจจนไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีศัตรูคู่เวรกันเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นความสูงสุดทางจริยธรรมแล้วก็มีต้นไม้กะ็ะร้ากระพือเกิดขึ้นสี่มุมเมืองอยากได้อะไรอธิษฐานออกดอกออกผลออกมาแม่น้ําเต็มเปี่ยมฝังสิบห้าวันฝนตกตกก็ตั้งแต่เวลากลางคืนลักษณะเช่นนี้คือลักษณะความเจริญทางวัตถุทางเศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยีและความเจริญทางด้านใจิตใจไม่มี่มายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีศัตรูคู่น่งในความเจริญทางจริยธรรมนั่นคือโลกภาษีอ่านที่เราจะเข้าให้ถึงนำสังคมให้ถึงเป็นอุดมคติของสังคมเราจึงบอกว่าเมื่อฟังพระเวทสันดรครบสิบสามกันมีสินหา้าบริสุทธิ์และจะเกิดทันโลกภาษีอา่านปีหนึงๆเราเอาบุญพระเวทสันดรนั้นเป็นการตอกย้า ซ้ำเตือนอุดมคติของสังคมเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดของสังคมจะต้องนํากันไปจนถึงความเจริญที่สุดทางเศรษฐกิจและจริยธรรมแต่เสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้ประโยชน์ดีๆต่อก็ต่อกไปเถยิ่งอาบุญพระเภทุสันดอนยิงทําลายเศรษฐกิจยิ่งทําลายจริยธรรมเพราะเราทำไม่ถูกไม่ปฏิรูปปังไม่ปฏิรูปปังปฏิรูปปังไม่ปฏิหูไม่ปฏิรูปกันให้ถูกต้องดีงามก็เลยกลายเป็นพิธีพิธีเฉยๆพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า มาปรำปลายะอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบๆกันมานะมีโอกาสผิดพลาดก็ได้มันอาจจะไม่เหมาะสมกลมกลืนในขณะนี้แต่มันอาจจะดีจะงามเหมาะสมกลมกลืนในขณะอื่นในสมัยก่อนนันอาจจะดีงามถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ยังใช้ไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเราไปถึงบอกเราจะเป็นจะต้องใช้รถไปถึงน้ําเราจะไปจะต้องใช้เรือจะมาเทียนกันว่าเรือดีกว่ารถรถดีกว่าเรือไม่ได้ ถ้าไปถึงน้ำเรือมันต้องดีกว่ารถแน่ถ้าขึ้นบนบกรถมันต้องดีกว่าเรือเพราะฉะนั้นประเพณีต่างๆในสมัยหนึ่งอาจจะดีที่สุดแต่ในสมัยหนึ่งอาจจะเลวก็ว่าถ้าหากเราไม่รู้จักปฏิรูปทั้งนั้นลองคิดดูพวกนกนูปูปีพวกไกพวกกาสู้นักสัตว์ทั้งหลายมันก็ยังรู้จักปฏิรูปเช้ามามันลุกขึ้นยืดคอมันไก่ยืดปีกยืดขาบินออกจาก รืองจากหลังไปหาจิกหาเขี่หาคุยหากินแล้วเวลามันพักอยู่เฉยๆมันก็ไซดขนของมันให้เข้าที่หลังจากนั้นมันก็ยืดไปยืดขาทั้งหมดนั้นมันคือปฏิรูปตัวมันเองให้ตัวมันพร้อมที่จะทํางานให้เปนเหมาะสมกลมกืนทุกสถานการณ์เราก็จะต้องรู้จักปฏิรูปใช่ไหมล่ะ ประเภทนี้ที่มีอยู่ประรูปซับบิมเมตพูดเป็นภาษาฝรัง่งเราซับบิมเมตทําให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดอย่างเึื่องบนพระเวทสันรนเนี่ยเราก็จึงจําจะต้องมาว่ากันเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งคนแก่คนเฒ่าจากไม่ทิ้งของเต่าของเดิมและคนหนุ่มคนสาว ก, ก็จะให้ได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมาว่ากันแบบนี้อ่า อา r ม m a จะต้องขอเสียเวลาเล็กน้อยเกี่ยวกับเครื่องบุญพระเวสสันดรก่อนเพื่อจะทําให้คนสมัยใหม่ได้เข้าใจคนสมัยเก่าตายไปสมัยใหม่จะได้จดจําทําตามให้ถูกต้องวิธีทานั้นวัดใดจะทําบุญพระเวสสันดรในพระสงฆ์จะจักแบ่งหนังสือออกเป็นกันกันกะให้พอดีกับจํานวนพระเนนในวัดแล้วก็จํานวนพระที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆคั่นแบ่งหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งเรือนกันอย่างสมมติว่าบ้านนี้มีกี่เรือนสองร้อยกว่าอ่าสองร้อยเรือน เราเอากันกี่บ้านกี่วัดจะเอามาสามสิบวัดก็หาร ก, กันไปเลยอย่างนี้หารกันไปเลยว่าสามสิบนี้จะได้เท่าไหร่จะตกเรือนละเท่าไหร่แบ่งเรือนเท่านี้จะก็ไปค้ำบ้านโน้ ahn, น, นบ้านนี้นี่ทีนี้เมื่อแบ่งเรือนแบ่งหนังสือนะเจ้าค้ำบ้านนั่นค่อยค้ำบ้านนี้กลุ่มนี้ค้ำบ้านโน้นอุปถัมภ์บ้า น, นก็เอาหนังสือไปใส่ไปใส่ต้องพร้อมที่จะต้อนรับทั้งพระทั้งโยมที่จะมานั้น แล้วก็เขียนฉลกักในอีสานก็เราเขียนเป็นตัวทำตัวไม้โบราณ น, นะใส่ในใบาลานหรือในกระดาษในที้เขียนเป็นตัวไทยแต่เร้นี่ก็เกิอบจะหมดไปแล้วเขาจะเขียนด้วยคําว่าวุธิธรรมคำํำฟงฆ่าต่างหลายภายในมีอาชญาธรรมเป็นเข้าภายนอกมีอชาชญาสิทธิ์เป็นประธานได้พร้อมกันจัดงานมหาชาติบุญประเวทตันดอนขึ้นที่บาทนั่นในวันที่เท่านั่นเท่านั้นค่ำเดือนนั่นวันพศนั่นเป็นวันรวม แล้วก็มีการบวชหน้ามีการหอดสองวันที่เท่านั้นหลังจากรวมเป็นวันฟังธรรมบุญพระเวสสันดรกันซึ่งมันผิดกับสมัยนี้อยู่พอสมควรการ้าดเกือนไปแม้แต่การนิมนต์โดยหนังสือที่เรียกว่าฉลากนิมนต์เนี่ยท่านก็จะเขียนอมความตั้นๆดังกล่าวแล้วชี้แจงให้ทราบว่าชาวบ้านนั่นภายในมีพระสงฆ์เป็นข้าวภายนอกมีออกตนเป็นประธานได้พากันจัดงานบุญมหาชาติพระเวสสันดรขึ้น ในบ้านนั่นวันรวมวันที่เท่านั้นตรงกับวันแรมเท่านั้นขึ้นเท่านั้นค่ำหลังจากนั้นเป็นวันฟังพระธรรมศนาหนึ่งเอาเอดสันดอนจึงข อ, อนิมนต์พระคุณเจ้าที่อยู่ในวัดนี้ไปแสดงธรรมเทศนาให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดฟังขอจงบอกเตือนเอืน่นเตือนบอกเปล่าชี้แจงแถลงขายให้ญาติโยมในหมู่บ้านนี้ ไปทำบุญสิลกินทานด้วยกันฟังเทศฟังธรรมด้วยกันมากๆก็ากกาขาเทินจะไห้วาฬเอาอะไรอย่างเงี้ยคำเขียนฉลางนิมนกอกง่ายๆสั้นๆแต่ก็อมความไปหมดชัดเจนเดี๋ยวนี้ไปใส่ฉลางนิมนเขียนหนึ่งสามสี่แผ่นกระดาษมีคนกี่คนอยู่ในบ้านเขียนลงหมดกรรมการคนนั่นเฮ hey, ลันยิกคนนี้ประธานคนนั่นกำนันนั้นผู้ใหญ่บ้านนั่นคณะกรรมการนั้นผู้ทรงคนนะพุท ธ, ธิ ผู้เป็นกรร ม, มาการโวยมีไปหมดเขียนลงไปในฉลากพิมพ์นังสือแบบสิ้นเปืองค่าพิมพ์บางแห่งเขียนพิมพ์แล้วเสร็จไล่แต่ชื่อชาวบ้านมีสามร้อยคนเขียนลงไปหมดเลยเป็นกรร ม, มาการอะไรเสร็จแล้วลืมเขียนนิมนต์พระนิมนต์พระแล้วเอาไปให้พระข อ, อนิมนต์เพราะขุณเจ้าไปแสดงธรรมเทศนาโปรดพวกขุนเจ้าทั้งหลายหนึ่งกันไม่ว่าเลยลงเลยเอาไปให้พระท่านก็ไป ม, มา ให้แต่ซองเที่เอาไปแจกนั่นแหละมาฝากคนมาให้เพราะไม่ได้ดีมลท่านอย่างนี้ก็มีนะเป็นความเสเพาฉลาดมากแต่กอนในที่สุดตลายเป็นความโง่ไปก็มีในสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นเมื่อใส่ฉลากในมลเสร็จถึงวันเทศพระท่านก็จะพาชาวบ้านมาหนังสือคำภีโบราณในแบกใส่บาตมาเนะี่ยพาชาวบ้านมาคนหนุ่มคนสาวแต่ไม่แต่ก่อนคมนาคมไม่สะดวกสบายโรคดาไม่ค่อยมีกัน ก็ต้องเดินข้ามถุงข้ามท่าข้ามห้วยน้องคลองบึงข้ามป่าข้ามเขามาเอาบุญพระเวสสันดอดใกล้จะมาถึงหมู่บ้านก็พักผ่อนสาวสาวก็แต่งเนื้อแต่งตัวตรงไหนแห่งหนึ่งก็จะเข้าบ้านเขาเรียกตรงนั้นว่านนนสาวเอ <c oughs> คนวลานอีสารแล้วเนินสาวเอก็ว่านเดินที่สาวสาวประดับตกแต่งตนเองให้สวยสดงดงามเชิงวับจะได้เข้าสู่หมู่บ้านแล้วทั้งคนหนุ่มคนสาวเดินตามหลังพระ ไปถึงหมู่บ้านก็บากาเรียกแต่หากองอำนวยการหว่าศรัทาคําบ้านโน้น ôn, บ้านนี่บ้า น, นี้พระคุณเจ้ามาแล้วขอให้มารับพระคุณเจ้าพวกที่เคยตกลงกันเป็นกันก็มารับมารับก็รับพระคุณเจ้าเข้าสู่ตูปสู่ปารำเพื่งปุกเอาไว้รอปรอบวัดเสร็จแล้วก็หาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพี่น้องเทามาด้วยแล้วก็พวกเอาน้ำอธารามาให้พระอาบลักษณะเช่นนี้เป็นชุมชนในอดีต ที่อยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องซึมทราบอาบรด้วยพระธรรมคําคสั่งสอนเมื่อคนหนุ่มคนสาวมากับพระแล้วคืนนั่นก็ต้องเอาบุญกันฟังมอร้องมอรําจบเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ยังไม่กลับกินข้าวที่ชาวบ้านเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็ต้องฟังเทศจนกว่าพระของตนเองจะเทศจบเพราะว่าแต่ละคนจะต้องมาเทศในที่สุดหนุ่มสาวสมัยโบราณนั้นก็มีโอกาสได้ใกล้ชิด วัดวาสัตนาไปกับพระไม่อยากฟังก็ได้ฟังที่นี่เรื่องเทศเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกซึมซาบอาบรสด้วยพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัตตดาและก็รู้จักขนบรรมรำเนียมประเพณีว่าเข้าถึงพื้นฐานขนบรรมตำเนียมประเพณีของตอนเองซึ่งมันผิดกับเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเมื่อฟังพระท่านเทศจบถึงการหมู่บ้านตนเองเทศจบก็าพากันกลับบ้านเดินกลับกัน มีกันเทศมีอะไรเขาน้มเขาต่อมที่เข้าไต่ถาวายพระกับชาวบ้านนั่นแหละพากันหาบกับแล้วก็เก้นกันตามทางนี่คือคือคือลักษณะสังคมในอดีตเอามาเล่าให้กับฟังหน่อยทีนี้เรามาดูกันในเรื่องงานว่าเมื่อถึงวันรวมเนี่ยชาวบ้านที่อาบุญประเวทตันดอนญาตยอมพานะบ้านจะมารวมกันที่ศาลาโรงทำตอนเช้าตีกองรวมตีของโฮม เตรียมเครื่องสักระมีข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนทุ่งด่างละพันละพันทุ่งช่อทุงท่งใหญ่ใหญ่อีกแปดอันปักไว้ในทิศทั้งแปดรอบสาราลงทำเในสังเกตดูบางหมู่บ้านก็ทำไม่ถูกกันนักหรอกมามองดูมีทุ่งใหญ่สองสาอันที่เล่าให้ละเอียดเพราะว่าวันนี้เราจะปริทัก์กันทุ่งใหญ่แปดแปดอันปักไว้ในทิศทั้งแปดรอบสาราลงทำตั้งหม้อน้ำหมนสี่บ่อ แล้วก็ปลูกหออุปคุตขึ้นที่ทางทิศตะวันออกของศาลาหลงทรรมผูพูดถึงเรื่องอุปคุตนี้จําเป็นที่จะต้องนํามาเล่าให้ฟังหน่อยในงานนี้มิฉะนั้นแล้วจะไม่เข้าใจคนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่เนี่ยจะไกลห่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ประเพณีเหล่านี้ซึ่งมันมี ประโยชน์มากซึ่งอาตมาได้กล่าวแล้วตั้งแต่เบื้องต้นว่ามันเหมือนกับผลไม้ที่ อ, ร, ะอะร็ดอร่อยต้องมีเปลือกน้ำมีน้ำหุ้มมีอะไรเราจะต้องปอกเปลือกมันซะก่อนหออุปคุตนั้นใช้เสาไม้ไผ่สี่เสาปลูกให้สูงเพียงตาเอาฟ้าขัดแต้มสามด้านเอาบาดเอาร่มเหมือนที่เราว่าจอา้องอีสานเรียกว่ากดกระโจนการน้าจีวรไม่เท้าเหล็กใส่ไว้ในหอ เวลาบ่ายก็หลังจากถวายพระทหารเพลงเสร็จตอนบ่ายๆจัดเครื่องสักระไปเชิญเอาพระอุปคุดมาอยู่หอสมมติว่าท่านอาศัยอยู่ในแม่น้ำอุ้ยน้องหรือที่ใดที่หนึ่งตึ่งใกล้ๆกับที่นั่นพูดง่ายๆว่าสร้างศานสร้างหออุปขุดไว้ในทางด้านทิศตะวันออกของศาลา แล้วก็เอาเครื่องบริคารของพระนั่นแหละทั้งหมดพวกไมการนะ้ำไตรจีบอนกระโถนบาทล่มฮ <c oughs> ่าเรามาไปเห็นในาหมู่บ้านเปนเทศเขาก็จัดไว้กันแต่ทำพร้อมันแตกแตกไปรองเท้าก่อไปใส่ให้พระอุปคุตข้างหนึ่งสีแดงข้างนึงสีเหลืองมนกไปขโมยของใครมารองเท้าขาดๆแม่เห็นสำเพเวานาอุปคุต ขดอยากอยากแก่เลยเกิดไม่ต้องใส่ก็ได้เรากรองเท้าแต่จะไปเอาสีแดงสีเขียวมาให้ทันหอถ้าใจจีวงก่อขาดขาดเก่าเก่าคำขาเอาไปกองอ้อยเนาะไว้ไม่พับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเหมือนกับทําพอเล่นๆแล้วลูกหลานเขาจะสืบทอดได้ยังไงเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักต้องเป็นหลักให้เขาในสิ่งที่ถูกที่ต้องดีดีจริงงาใหญ่ในสิ่งที่ถูกที่ต้องเด่งามแล้วยังเป็นหลักให้เขาอีกด้วยให้เขาได้ยึดถือเป็นหลักเป็นฐานด้วยนี่อาะไรหออุปคุต รองเท้าสีแดงข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งรองเท้าแตะคัดขาผ่าจีบอลเก่าๆข้ามขาเอาไปกองอ้อยเนาะไว้กาน้ํากอดําปิดตีเอาไปตั้งเอาไว้แหมสมเพศไปธ น, นาอุปคุตเลยกัน <c oughs> ลูกหลานก็จะไม่เข้าใจตอนนี้จะขอร้องใหม่พ่าต้องทําให้ดีด้วยความเคารพทําให้ถูกให้ต้องเมื่อจะทําอะไรก็ทําให้มันดีๆจีวบอลแต่มันดีรองเท้าก็ให้มันดีถ้าไมันมีก็ยังมีเลยรองเท้าอย่างเงี้ย แล้วก็พวกตานะ้ำกอะไรก็เหมือนเราคนดีๆจะกินได้นะั่นแหละเป็นการเคารพเอพ a เช i ิฟแอคชั่แสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าความหมายของกิจกรรมนั้นนั้นเหตุการณ์นั้นบุคคลนั้นที่นั้นจึงเรียกว่าบุคคลที่เป็นผู้ฉลาดเป็นมองคลด้วยว่าปูชาจะปูชนียานั่งนั้ น, น, นประมาณบ่ายโมงผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะต้องไปเชิญอุปคุตพาลูกพาหลานไป แต่เมื่อวนอยู่ในหนองน้ําหรืออยู่ในริมห้วยน้องของบึงตงน้นไหนสักแห่งก็ไปเชิญทําไมต้องไปเชิญที่ริมหนองน้ําขออภัยก็ก็ต้องขอเล่าเรื่องให้ฟังสะะักกะคือในสมัยโบราณเนี่ยถ้าบุญพระเวสสันดรจะต้องปลูกหออุปคุตอุปคุตนั้นมีประโยชน์ประว่าิหาบุญพระเวสสันดรใ น, นจัดอุปคุตไม่ถูกไม่เชิญอุปคุตมาหรือทําอะไรไม่ถูกเนี่ยจะเกิดอาเพศเหตุภยัยเกิด ฝนตกหนักเกิดลมพายุพัดเห็บกันนาหรือมิฉะนั้นก็จะเกิดอาเพศเหตุภายในงานพระเวศนดรคนจะตีรันฟันแทงกันเลือกตกอย่างออกถึงกับล้มกับตายก็มีพอสมัยโบราณ น, นั้นพอมีงานบุมพระเวศนดอนถือว่าเป็นสุดเวียงความสนุกสนานและก็สุดเวียงในการที่เป็นหัวใจของประเพณีจะต้องทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันถ้าเล่นก็เล่นกันเต็มที่นะ เมื่อเล่นเต็มที่มันก็เสียเต็มที่นั่นแหละตกกระเทินไดลองไล่เล่นกระเล่นสาให้มันมวนตกกระเทินว่าได้กวนก็ให้กวนให้มันคุนกวนน้องหนามกวนสาให้มันคุนขั้นเป็นกวนคุนแล้วซิวกุ่งหักสิ ง, งอมประจันปุญเวอคนที่ชอบเล่นก็เล่นกันจริงจรงิสมัยโบราณเพียงแต่แหบพระเบสันดอนข่าเมืองได้กินเหล้าเมามาแล้วตั้งแต่เช้ามืดของวันเนี้ เมาแล้วเดินครับถนนมาแล้วต่างคนต่างมเมาอาแล้วมีอีกพวกหนึ่งหามกองกองใหญ่ๆแล้วก็ตีเสียงตีกองร้าวใจเขาเรียกว่ากองเลงเรียกว่ากองนักเลงกินเหล้าเสียงตีกองว่าตืมทุกตืมทุกตืมทุกตืมทุกมันตืมทุกเรียกว่าเพิ่มทุกเพิ่มทุกเพิ่มทุกเป็นภาษาไทยกันแล้วในที่สุดก็หมันใสกันเมื่อเห็นหน้ากันมันเมาแล้วเนี่ย ลืมหน้าลืมหลังกันแล้วขนาดเมียตนเองแท้ๆก็ยังจำหน้าไม่ได้ขึ้นไปบ้านอินนามะนี่ผัดวักจำหน้าเมียตนเองไม่ได้เป็นเมา่นี่นี่สื่เห็นเพื่อนก่อฟอนเสือหลกักหางเสือเหลียวเหล่าอนมุมานถวายแหวนอีแห้งตากปีอะไรต่างๆฟอนแต่การเมื่อตีครองแรงรัวก็จะแตกกันหัวร้างข้างแตกกันไปเลยเป็นข้างแสดงว่าการจัดอปุปคุณไม่ถูกในคนโบราณถือนะเพราะอะไรเพราะอุปคุณนี่ ที่จัดไว้เพื่อรักษาความสงบของงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมูลเหตุของการตั้งสารอุปคุ t และเชิญอุปคุ t ในงานพระเวสสันดอนก็ต้องขออภัยนํามาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่อนุนชนรุ่นหลังเรื่องเดิมมีอยู่ว่าในสมัยพระเจ้าอาโศมหาราชพระเจ้าอาโศมหาราชในท่านต่้งหลายจะต้องรู้จักคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นนักรบ ที่เก่งกล้าและเป็นนักการศาสนาที่เพ่งขัดของชาวอินเดียเมื่อพระพุทธเจ้าของเราปรินิพัน์ไปสองร้อยกว่าปียี่สหกปีเนี่ยในประเทศอินเดียมีคนนับถือพุทธศาสนามากแต shower, ่ก่อนก่นพวกเขาก็ยังไม่ได้นับถือเพราะว่ามีครูทั้งหกดังๆร่นสมัยพุทธเจ้าปูรณปักตสปะมคคิิโคสานอสิตเเกสกัมพลนิคนาทบุตรสันชัยเวรทบุตรปะกุทธกจายนะเหล่านี้ดังๆร่นสมัยไม่ต้องจำก็ได้เยอะนะโยม ทางคนดังก็สอนลทัทธิของตอนเองค น, งคนต่างคนต่างก็เลือกนะัะถือและยังมีลทัทธิดังเดิมคือลทัทธิฮินดูศาสน า, าพราหมณ์พระพรมพระอิศวรพระนารายตรีมูรติหรือพระเจ้าสามองค์เป็นผู้สร้างผู้โหม่ของผู้ทําลายนั่นครบูชากันขอพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดมาท่านประกาศพุทธศาสนา เด่นดังมากพังงาดขึ้นมาเจาะทะลุทะลวงลทัทธิเจ้าลทัทธิต่างๆเดียลทัทธิปริพาชกอาเจรกนักบวชนอกศาสนาตกกระป๋องชิดใช้ไปเลยเมื่อผู้คนมีความเคารพนับถือพุทธศาสนามากพอสมควรแล้วพระเจ้าอาศกในสมัยนั้นท่านเป็นนักบที่เก่งกล้ามากอยู่ที่เมืองปารตรีบุตรเป็นพระเจ้าเป็นเรืนราชวงศ์มอรยะคือราชวงศ์นอกยู หมายถ้าจะเล่าไปอีกก็ยิ่งไกลไปใหญ่เลยไปถึงนุงยงนงยงอะไรไปโนนเอาง่ายๆก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินองนี่ท่านอยู่ที่เมืองปาตารีบุดแควนมาคดท่านในยกกองกำลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกลไปไปแควนโน น, นเมืองนี้ทั้งสิบหกแคว้นเล อ, อังคะมกทกาสีโกสวัสดีมันละเจตีวังสกรุปันจารสุรเตนสกวันตีคันธารกรรมโพชะไม่ต้องจาก็ได้เยอะ คือแต่ละประเทศมีภาษาของตอนเองมีลัทธิต่างๆกันมีคาพูดไม่เหมือนกันในที่สุดเมื่อตีรวมแล้วก็กลายมาเป็นประเทศเดียวกันเรียกว่าประเทศฮินดูเรียกตามรุ่มแม่น้ำอินดัสหรือรุ่มแม่น้ำสินธูต่อมาเป็นจากฮินดูมันเพีย้ยนมาเป็นฮินดีจากฮินดีเดียวนี้มันเป็นอินเดียพวกเราเรียกว่าอินเดีย ความทีอินเดียนี่คนอินเดียเขาังเรียกว่าฮินเดียนะเขาไม่ได้เรียกว่าอินเดียเหมือนกับครายิ่งพวกอาหลับแถวทะเลสายอาระเ บ, บียจางพวกซาอุดีอาระเ บ, บียอิรักอิรานเยเมนปาเลสไตน์จอแดนเหล่านี้เขาจะเรียกอินเดียว่าฮินเดียใช่คําว่าฮินเดียนะไม่ใช่คําว่าฮินดูหรือว่าฮินดีอินดัสรวมแม่นามอินดียเอาไปกันใหญ่ละเมื่อพระชากรตีได้ทั้ง16ประเทศเนี่ยก็รวบรวมเป็นประเทศเดียวกันเรียกว่าประเทศ ฮินดูฮินดีไงต่อมาเป็นอินเดียงแล้วพระเจ้าอัสสก็มาคิดว่าเออการที่เอาคนมากๆหลายชาติหลายภาษามารวมกันเป็นประเทศเดียวเนี่ยมันจะยากมากเกี่ยวกับการปกครองด้วยอาญาสิทด้วยอาวุธด้วยกฎหมายดีจะยากถ้าจะให้ดีการปกครองคนมากๆหลายชาติหลายภาษาเนี่ยควรจะมีสิ่งหนึ่งคือศาสนาให้คนทั้งหม ด, ดมีศาสนาเดียวกัน เมื่อพระเจ้าอโศกท่านดำริอย่างนี้แล้วบอกว่าเราก็ไม่ต้องไปลบราค่าฟันกันอีกด้วยแล้วเราจะเอ า, าศาสนาอะไรนึกไปนึกมาก็เลยให้อมาร์ตบริวารนี่ไปเชิญพระในาศาสนาต่างๆดงัดงๆร่วมสมไมกันมามาชี้แจงแถลงไขเรือว่าเข้าคงคำสังสอนในทางศาสนาเขาคงของการปฏิบัตินั่นมันเป็นอย่างไรมีจุดยืนอย่างเด่นชัดอยู่ตรงไหนและหานด้เลือก ปากฏว่าคําสอนศาสนาต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่เป็นที่พอใจแก่พระเจ้าอโศกมหาราชจนได้มาพบคําสอนในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่เหมาะสมกลมเกลื่นกับอุปนิสัยใจคอของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นนักรบที่เก่งกาแล้วยังจะเป็นนักการศาสน า, นาที่เข็งขัดกําลังเลือกอยู่ เห็นว่าพุทธศาสนาในมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์ควรค่าที่เราจะพาประสงคในกรในไพฟ้าอาณาประชาราชยอมรับนับถือศาสนานี้และตั้งอยู่บนพื้นฐานของศิลธรรมคือความเมตตาปานิีวศัตทั้งหลายคือเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเหตุที่พระองค์เที่ยวไปเข็นฆ่าอาณาประชาราชกองรถที่บทขยี้ไปบนกองกระดูกและเลือดเนื้อ พระหัตถซึ่งตำพระขันฟันฟาดเข็นข่าอาริราชศัตรูเลือดหนองแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคว่งการลิงค์ข้ตอนที่ท่านปราพังสุดท้ายจับป่าเป็นเฉลยสุดสองแสนห้าเทนข่าด้วยพระหัตถ์เป็นแสนเนี่ยเมื่อได้คบคําสั่งสอนอันดีงามของพระพุทธศาสนาซึมซาบอาบรสูจิตใจความโหดร้ายทารุนของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงไปสิ้นเหมือนสายน้ําเปลี่ยนกาแฟฐานไหล จากความโหดร้ายมาเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนความรักความเมตตาป่านี้ภาพที่พระองค์ทรงเข้นฆ่านั้นไม่เป็นภาพที่ประทับใจของพระองค์กลายเป็นภาพที่สังเวชสลดใจที่เข่นฆ่าอาณาประชารากงรถบดขยี้ไปบนกองกระดุกและเลือดเนื้อผักขันที่อยู่ในพระขันที่ฟันฟาดอาริราชสตรูปรักพันไปนั้น กลับกลายมาเป็นความเมตตาสงสารสะท้อนสังเวทใจในการกระทำแต่ก่อนไปที่ไหนเขาเรียกจันดาโศกมาแล้วจันดาโศกมาแล้วแปลว่าพระเจา้าโศกผู้โหดร้ายแต่บัดนี้พระองค์ไปพร้อมกับคําสั่งสรรในทางพุทธศาสนากลายเป็นธรรมมาโศกแปลว่าอโศกผู้สรงธรรมและพระ อ, องค์เกิดความศรัทธาเลื่อมใสพุทธศาสนามากเลยประกาศตั้วทั้งแผ่นดินจกักรวรรดิอันไพศาลของพระ อ, องค์ เบอกว่าจากนี้ต่อไปเราจักให้พระสงกนิกรของพระ อ, องค์เน้พากันนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจของชาวอินเดียในสมัยนั้นพระ อ, องค์ที่ยไปกราบสังเวยศียสถานไปถึงตรงไหนพระ อ, องค์ตอกหลักศิลาจารึกคำสั่งสอนต่างๆ28องค์การกว้างใหญ่ไพศาลในจกักรวรรดอาจักรอันกว้างใหญ่ พระ อ, องค์ทรงจารึกคำซ้อนในหลักหินไป ต, ต่อไปว่า28องค์งานในทุกวทั้งแผ่นดิบมากมายกายกองไปที่ไหนพระประงค์ในกอไพ่ฟ้าอาณาประชาราชแท้ร้องสาธุการว่ารร ม, มาโศกอศผู้ทรงทำได้มาแล้วมีชื่อใหม่ว่าพระเจ้าเทวานันทิยติศตัต์แปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และถวยเทพ ความสถานในพระศาสนานั้นเองพระองค์ก็เลยได้สร้างวิหารต่างๆสร้างวัดวาขึ้นมาทั้งแปดหมื่นสี่พันวัดทั่วทั้งจกักรวรรดิอันไพศาลแล้วยังไม่พอรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอโศกนี่มีปทบาทมากแก่พุทธศาสนาพวกเราประเทศไทยได้รับพุทธศาสนาครั้งแรกก็เพราะฝีมือของพระเจา้าอโศกนี่ในขณะที่พระองค์ประกาศทั้งสิบหกแคว้นเป็นประเทศเดียวกันให้น้ำเติมพุทธศาสนานั้น ประชาชนก็พากันน้อมรับคําสั่งของพระองค์แล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเมื่อมีศรัทธามากๆคนก็เคารพเจ้าหนะ้าที่าศาสนาคือพระทรงองค์เจ้ามีอะไรก็ยกใส่เกล้าเท้าใส่หัวถาวายพระสงองค์เจ้าไปที่ไหนมิเหมือนกับเดิมไปบนหัวใจของประชาชนเขาเคารพกลับไปต่อจากนั้นพวก ที่ถือศาสนาอื่นเห็นว่าเออคนเขาต้อนรับคนเขานับถือเคารพพุทธศาสนาพระในทางพุทธศาสนาไปไหนมีคนกราบคนไหว้อาหารการกินเยอะแยะเครื่องราบสกักุลละเสียงเยนินยอไปไหนเข้าถวายถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าบวชในทางพุทธศาสนาดีกว่าเรียกว่าอุปชีวิกาบวชเลี้ยงชีวิตซะเลยก็เลยโกนผมห่มจีวร น, นอนในวัดไปไหนก็ไปยุให้โยมทานเอ้ยเจ้าท่านสิบท่านหะให้ได้เป็นเทวดาบนสันฝ่ายนย้อน สัตท่าแหล้วให้ท่านเทศท่านทอดแต่พระเวทเพนยงท่านรถแก่วทั้งมากาบมานี่แต่อาตมานี่จะเอาเยอะๆได้ตอลอดไม่พอจะฝากธนาคารซื้อรถเก๋งขี่ติดแอร์ปรับอากาศพระก็เลยร่ำรวยมั่งมีสีสุขแต่ไม่เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนไม่ประพฤติปฏิบัติเพียงเด บ, บวดตเพื่อให้คนอื่นเคารพกราบไหว้ถวายท่า น, นัลางเสื่อมของพุทธศาสนาก็เกิดขึ้น เหมือนกันกับว่าพุทธศาสนาที่มีคนเคารพนับถือมากๆก็มีคนเข้ามาปลอมปนเหมือนนาที่ดีๆเพราะมีปุ๋ยดีมีน้ําดีเมื่อปูข้าวลงไปข้าวก็งดงามข้าวนั้นเปรียบเหมือนพิสุขผู้ประพฤติปฏิบัติทำในทางพุทธศาสนาแต่อีกพวกหนึ่งคือพวกปอมเข้ามาเหมือนหญ้าเกิดมาปนกับต้นข้าวเมื่อข้าวงามหญ้าก็งามเพราะดินมันดี คนรอบนะั้นตือนศรัทธานมากถวายเครื่องราบสักการะสิงเดียดยอมากพวกเข้ามาบวชโดยไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมคติในทางพุทธศาสนาที่เข้ามาบวชเพื่อเลี้ยงท้องเรียกว่าอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตและจะมีอีกคํหนึงว่าอุปทูสศาบวชมาไปรุสร้ายศ า, าัทธาในช่วงนี้เองดินดีข้าวงามยญ้างา ม, ากงามเกิดหญ้าเข้านกขึ้นมาที่พุทธเจ้าเคยตัก พิษสุททั้งหลายเรื่องเกิดมีมาเอาไว้เงี่ยต้นข้าวผีเกิดขึ้นมาต้นก็เหมือนข้าวใบก็เหมือนข้าวแต่เวลามันออกรวงมามันไม่เป็นข้าวฉันไดผู้ที่มาบวชในธรรมวินัยนี้การภาเพฤ่อปฏิบัติไม่อบรมสินอบรมกายอบรมจิตอบรมปัญญาให้ดีให้งามแล้วหนุ่งสะบงทรงจีวรคู่เยียดก็มื่อยเคลื่อนไหวไปมาเดินห น, าน้าถอยหลังเหมือนพิกษุทในธรรมวินัยนี้แต่จิตใจมากประด้วความโรคความสปปกปรกเล่าร้อน เขาก็เหมือนข้าวผีพวงง่ายว่าคือหย่าเขาหนกเกิดมาปนเขา่าคือเข่าม้าเงงดูมันก็เป็นข้าวดีๆแต่มันออกรวงมามันไม่ใช่ข้าวนี่เลยทันใดดูรูปร่างก็คือพระแต่จิตใจนั้นเหมือนคารวะาเหมือนอะไรอยู่เงี่ยแล้วมันก็เกิดความเสื่อมขึ้นมาพระเจ้าอโศมหาราตังเวทตลอดใจช่วงนั้นหาทาง ก, กําจัดพระเหล่านี้และก็พอดีพบกับพระโมคคิริบุตรติดสะเทระ รวบรวมกันทาสังขยนาพระโมคครลบุตรเป็นฝ่ายสรงนำพระอรหันต์เป็นพันน์รวมกันแล้วพระเจ้าโสเป็นผู้สนับสนุนจับพระงคกช่วชั่วเหล่านี้มาสอบสวนตอบถูกตอบผิดไม่ถูกต้องตามพุทธดำรัสจับสึกว่ากันว่าในสมัยพระเจ้าโสมมหาราชีโอ้โห จับพระชั่วชั่วพวกอรชีผู้ไร้อย่างอายทำชั่วยิ่งอันตรายยาข้าวไกลทุสินหมดความหมายบวชชั่วเอาผ่านเหลืองของไว้ลบล้างศัตนาจับสึกผ่านเหลืองกองทะเดินเพินทึกปานปูเขาเลยจับศึกกันเป็นเส้นๆก็เหลือแต่ผู้ดีๆเทานั้นมีไม่มากแล้วก็แจกจ่ายเลยก้าวสายไปประกาศพุทธศาหลืองกองทเนเพลินทึกปานเขาเลยจับศึกกันเป็นเส้นก็เหลือแต่ผู้ดีๆเท่านั้นมีไม่มากแล้วก็แจกจ่ายเลยสายไปประกาศ ฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นไปทางโน้นฝ่าภูเขาหิมาลัยไปเนปาลภูฐานทิเบตออกจีนมองโกเลียเกาหลีญี่ปุ่นไมน่นู่นอีกฝ่ายหนึ่งก็ลงมาทางใต้อินโดจีนมาพามา่าสีลังกามาไทยสายที่แปดโสนาอุตละขึ้นตีนคปรปฐมบ้านเหาเราก็เลยได้พุทธศาสนานั้นพอๆประมาณเกือบสามร้อยเพราะฝีมือของพระชาอส่งหลังจากพระศาสนานบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วท่านก็เลยรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุในที่ต่างๆ นะเอามาเอามาทําไมมาบรรจุไว้ในสถูปโลหะประสาทหลังใหม่ที่พระองค์สร้างขึ้นเสร็จแล้วก็จะทําการฉลองกันเจ็ดเดือนนู่นทีนี่พวกพระอรหันต์ทั้งหลายก็มาปริึิต่อกันว่าเอ๊ะทำอย่างไรหนอเมื่อเราจักงานฉลองพระบรมสารีริกธาตุที่จะบรรจุที่สถูปหลังใหม่เนี่ยปกติแล้พวพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยมีศัตรูคือพญามารเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่ อาจจะมาทำลายพิธีกรรมของเราเนี่ยทำยังไงพระทั้งหลายก็ประชุมกันเครียดว่าใครจะเป็นผู้รับผิดทอบในเรื่องความสงบถ้าเกิดพญามารมาทำลายพิธีการต่า ง, งๆนี่เราจะทำยังไงต้องมีองค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มีเดชเรียกว่าเป็นเช็คิวเรตี้พาทมเป็นน่วยรักษาความสงบเป็นกรรมาการฝ่ายรักษาความสงบต้องอาศัยพระที่มีฤทธิ์มีเดชจึงจะพอฟัดพอเวียงกับพญามารปราก่วว่าพระอรหันต ทั้งหมดสั่นหัวไม่มีใครคิดจะต่อกอนเนี่ยยอมแล้วไม่ไหวประชุมแล้วประชุมอีกไม่มีใครรับในที่สุดพระองค์เลยถามกันว่าในที่ประชุมของเราเนี่ยมีมากันครบทุกองคหรื อ, อยังทางที่ประชุมมองหน้ามองหลังก็บอกครบแล้วแต่มีพระองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่อลุกขึ้นยืนบอกว่ายังครับยังมีท่านองค์หนึ่งชื่อว่ารัานอุปคุโน่นอยูบ่บนภูเขาโน่นเขานี่หลอดสมาบัติเขา่าชัน เพ่งกระตินกินว่าตามไม่ขยับขยอるเคลื่อนกล้ายาสุราอยู่คนเดียวบนภูเขาโน่นท่านแล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไปนิมนต์มาความเป็นความตายของศาสนานี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเราจะต้องมารับผิดชอบร่วมกันในที่สุดก็ไปตามท่านมาท่านก็นลงมาดีๆแล้วก็เลยถามว่าทําไมท่านไม่ยอมลงมารับผิดชอบต่อเรื่องราวอันใหญ่โตของบาอง้านของเมืองของศาสนานี้ท่านก็บอกว่าพันเตท่านบูเจริญเอ๋ย กับผมเป็นผู้น้อยยังเป็นพระเทเสแล้วมันยังไม่ใช่เทละเหมือนอาตมาผู้เทพอยู่นี่แหละยังไม่ถึงกี่พรรษามึงอย่าสามพรรษาอย่างเนี้ยก็เลยบอกว่าผมมันเป็นเทแล้ไม่มีความรู้ความสามารถอะไรคิดว่าพระเทละผู้หลักผู้ใหญ่จะจัดการกันเองได้เรื่องอย่างนี้ผมก็เลยไม่มาขอดื้อโอกาสเขานิโรธสมาบัตสบายสบายอยู่บนภูเขาครับผมไม่ได้พระศาสดาท่านอนุญาต นาทานหลายช่วยฟังให้เด็กพระพุทธเจ้าทนให้ลงโทษพระแม้แต่พระอหรหันต์ก็ต้องลงโทษถ้าหากไม่มารับผิดชอบต่อความเป็นความตายของศัตนาเป็นเรื่องใหญ่โตหางอำนาจสงมีสั่งและต้องทำภาษาบาลีบอกคลุกาสังคตสานาอำนาจสงเป็นใหญ่หนักแน่นมากฝืนไม่ได้้าทสงทั้งหลายเห็นดีเห็นงามอย่างนี้เมื่อมาอยู่ในปาน่าในดงเดี๋ยวนี้ พระบุลุษปู้ใหญ่ท่านใช้ท่านสั่งให้เขาจังหวัดด่วนนัมีการประชุมมีการอบรมนั่นนี่ยังไงก็ต้องไปเพราะถือว่าเป็นคําสั่งของสงฆ์ถือพระนี่ท่านถือคําสั่งสง์เป็นใหญ่ครุกาสังคตสะอาดอํานาจสงเป็นใหญ่ฝืนไม่ได้แต่ถ้าฝืนสงสั่งลงโทษแม้แต่พระอรหันต์พระปุถุจารย์สั่งให้ลงโทษเรียกว่าลงทันทกรรมพระอรหันต์เนี่ยลงโทษในที่ประชุมก็เลยบอกว่าเอายังไงในเมื่อท่านองค์เนีย่ย ท่านผิดนะท่านไม่ยอมรับผิดชอบต่อความเป็นความตายของศาสนาของบ้านของเมืองเองไหมศาสนาวุ่นวายป่านนี้ท่านยังไม่อยากจะมาเนี่ยเราประกาศกันโคมงมมคมเข้ามากันหมดตนเองยังไม่มาเอายังไงคณะสงฆ์ทั้งหมดในที่ประชุมก็โหวตเสียงเมเจอร์ลิทีออฟโวว่าลงคะแนนเสียงลงโทษพระอุปคุตคนเดียวให้อุปคุตเป็นผู้รับผิดชอบในงานคดีถ้าหากพยายามาทาลาย เผาประคุชท่านก็หมาจะคนมีที่ที่มาน่าครทันไป็น้องอรหันแล้วท่านก็ยอมรับโดยดุสเดีครับผมผมยอมแล้วคณะสงฆ์จะทํำยังไงสงฆ์ก็บอกว่าท่านรอรับผิดชอบในางานนีน้แต่ฉลองอ่าพระสัตรีลิกธาตุอะไรจะเกิดขึ้นท่านรับผิดชอบนะเกี่ยวกับพญามารจะมาทําลายพิธีท่านก็เลยตกลงหลังจากนั้นท่านก็เลยไปเดลมิตรประสาทอยู่กลางแ ม, ม่น้ําใกล้ๆคอยดูเชิงไว้ก่อนฝัดเสร็จแล้วพญามารก็มาเลย มาทำลายพิธีในละมิสเป็นฝ น, เ ป, น, นเป็นลมเป็นฝนเผ่าลึงฝ น, นทานเพลิงอะไรมาท่านก็จัดการด้วยฤทธิ์ของท่านอำนาจจิตของท่านทำลายให้สิ่งเหล่านั้นทพินาไปแล้วกัในละมิดหนังหมาเน่าเหม็นขึ้นเอืดเอาไปผูกพยามารดินกระเดวกระเดาบนภูเขาแก้ยังไงก็ไม่ออกไปให้ผูกมีฤทธิ์แก่แก็แก้ไม่ออกนะคาถาอุ ป, ปคุดที่เราเรียนกันว่าเป็นคาถาผูปผีผูกฟางนั่น่ะ ทั้งหมดมันเป็นคําบาลีพพระอุปกไม่นมาํามากล่าวที่นี่ค่เสียเวลาไปเขาประคุตท่างก็เลยผูกพยามารพยามารแก้ไม่ได้นั้นที่สุดยอมเมื่อท่นอ า, านยอมแล้วพยามารยอมแล้วท่างก็เลยแก้ให้แก่นังมาเน่าเบนเบนออกแต่ก็ผูกด้วยบ่วงใหม่อีกไปไว้บนภูเขาจนงานเสร็จจึงปล่อยพยามารงานนั้นก็เลยสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นบุญพระเวสสันดรเราก็ถืออย่างนี้กันเลยจึงได้จัดกันจับกันให้มีห้องประคุตเพื่อรักษา ความส ง, งอบกลัวพวกปีกองเลงตืมถูกตืมทุกจะเสือล่าขังเสือเหลืองแล้วเหลียวเหลาอีแห่งตากเปีกพวกไอหันนุมนานถวายแหวนแล้วก็จะรำมวยใส่กันเมื่อความร้อนมันจัดขึ้นหรือว่าเมาหนักขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราก็จึงต้องไปเชิญอุ ป, ปคุตตอนบ่ายผู้เฒ่าผู้แก่พาลูกพาหลานไปดอกไม้ถูกเทียนไปที่ริมหนองน้าสมมติว่าหัานอยู่ตรงนั้น ก็ไปเชิญโอกาสาโอกาสาฟุงขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข่าภายนอกนีออกตนเป็นประธานผ้ากัญจาเครื่องสักการบูชาการมากรวัยแก่พายอไทยอุปกุตเถระตนีฤทธิยงอาจเนลมิดประสาทแก่อกุดีกลางนาทีแม่นำไ่มาไขด้วยพมมาจารี ยุสุขีบอโศกเสาบัดเนี้ขาพระเจ้าทั้งหลายพร้อมกันฟังยังลำพเวทในควงเกตอารามขออัญเชิญเจ้ากูตนทงคุลขามากเป็นที่อาดแผ่แกมูผีในจ้าก้านหนึงสี่คอจงมาผาบมันดังหาอันเชิญเบียดเบียนทรงขาทั้งลายแห่งหายพยไยอันทลายทุกซ้ำปลอมพัมตวนทุกประการก่อขาเทินอันนี้เชิญเป็นตัวอย่างให้ฟัง แต่ลูกหลานจะไม่รู้ต้องเชิญให้มาเมื่อเชิญแล้วก็แห่กันเข้ามาพอแห่อุปคุตเข้ามาแล้วตีคองตีกองถือบาดไตรจีวรแห่กันมาแล้วก็เวียนรอบศาลาสามรอบแล้วก็เอาสิ่งของเหล่านั้นวางไว้ในหออุปคุตเวลาเพลิเวลาจังหันก็จัดอาหาร ว, าาวันข่าไปไว้ในหอ น, นั้นด้วยต่อไปก็เตรียมการไปแห่พระเวทสันดอนหรือก่อนนั้นอาจจะมีการหดการทรงเทราพิเศษเสร็จเรียบร้อยเลยเข้ไป แห่พระเวสสันดรไปเชิญพระเวสสันดรเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงทางวัดจตรีกองโฮมพระสงฆ์ญาติโยมจะพากันไป